บัณฑิตคือคนฉลาดหรือคนดำเนินชีวิตด้วยปัญญามีคุณสมบัติที่ท่านแสดงไว้หลายแบบหลายอย่างเช่นในพุทธพจน์ต่อไปนี้ในลัคณะสูตรจินตาสูตรและอโยนิโสสูตรอังกุตรนิกายติ ก, กนิบาตมีพุทธพจน์แสดงคุณสมบัติของบัณฑิตดังนี้ภิกษุทั้งหลายคนผานมีกรรมเป็นเครื่องกาหนดบัณฑิตมีกรรมเป็นเครื่องกาหนด ต่างก็ปรากฏแจ่มชายด้วยความประพฤติของตนผู้ประกอบด้วยธรรมสมประการ <c oughs> พึงทราบว่าเป็นผานคือด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตคือด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตภิกษุทั้งหลายลักษณะของบัณฑิตเครื่องหมายของบัณฑิตแนวความประพฤติของบัณฑิต มีสองประการดังนี้กล่าวคือบัณฑิตเป็นผู้มีปกติคิดความคิดดีมีปกติพูดถ้อยคำดีมีปกติทําการดีภิกษุทั้งหลายผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตกล่าวคือตั้งปัญหาโดยแยกคายแก้ปัญหาโดยแยกคายและเมื่อคนอื่นแก้ปัญหาได้แยกคาย ด้วยถ้อยคำกลมๆสละสลวยได้เหตุได้ผลก็อนุโมทนาในสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองของภารวัต์ที่หอังคุตรณิกายทุกกนิบาตมีพุทธพจน์แสดงคุณสมบัติของบัณฑิตดังนี้ภิกษุทั้งหลายคนพานมีสองดังนี้คือผู้แบกภาระที่ไม่มาถึงหนึ่งผู้ไม่แบกภาระที่มาถึงหนึ่งบัณฑิตมีสองดังนี้ คือผู้แบกภาระที่มาถึงหนึ่งผู้ไม่แบกภาระที่ไม่มาถึงหนึ่งในเรื่องพระสุธรรมเถระกุตการนิการคาถาธรรมบทมีพุทธพจน์แสดงลักษณะของภิกษุพานอันเป็นลักษณะตรงกันข้ามกับบัณฑิตดังนี้ภิกษุพานปรารถนาคําสรรเสริญที่ไม่เป็นจริงความเด่นออกหน้าในหมู่ภิกษุความเป็นใหญ่ในอาวาสทั้งหลาย และการบูชาในตระกูลคนอื่นเขาคิดว่าขอให้คนทั้งหลายทั้งพวกกรหัสและบรประชิตจงสำคัญว่าสิ่งที่ทำสำเร็จแล้วก็เพราะอาศัยเราคนเดียวขอให้ทั้งสองพวกนั้นจงอยู่ในอำนาจของเราเท่านั้นในกิจน้อยใหญ่ไม่ว่าอย่างใดอย่างใดคนพาลมีความดำริดอยดังนี้ความริษศาและมานะความถือตัวจึงมีแต่พอกพูน ทรงแสดงลักษณะของสัตว์บรุษในคาถาธรรมบทเรื่องภิกษุห้ารอรูปและเรื่องพระเถระผู้ตั้งอยู่ในธรรมดังนี้สัตว์บุรุษทั้งหลายไปไม่ติดทุกสถานสัตว์บุรุษไม่ปราศัยเพราะอยากได้กามบัณฑิตถูกสุขหรือทุกข์ก็ตามกระทบเข้าย่อมไม่แสดงอาการขึ้ น, ข, นขึ้นล ง, ลงบัณฑิตไม่ทำชั่วเพราะเหตุแห่งตนหรือเพราะเหตุแห่งบุคคลอื่นไม่พึงปรารถนาบุตร ซับรักความสำเร็จแก่ตนโดยไม่ชอบธรรมบัณฑิตนั้นพึงเป็นผู้มีศีลมีปัญญาประกอบด้วยธรรมในสักขัยหกสูตรสังยุตตนิกายนิทานาวักมีพุทธพ์ว่าผู้ใดเขาสักการะก็ตามไม่สักการะก็ตามย่อมมีสมาธิไม่หวั่นไหวเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทผู้นั้นซึ่งมีปกติเพ่งพินิ ทำความเพียรตลอดเวลาเห็นแจ้งด้วยความเข้าใจอันสุขขุมยินดีในความสิ้นอุปาทานท่านเรียกว่าสัตว์บรุษในเรื่องบัณฑิตสามเณรกุตกานิกายคาถาธรรมบทมีโพธพ์ธดังนี้คนไขน้ำย่อมไขน้ำไปช่างสอนย่อมดัดลูกสอนช่างถากย่อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนท่านละกุลตกะพัธิยะ เป็นผู้ปรากฏชื่อเสียงในพระพุทธศาสนามีเสียงเพราะเป็นผู้แสดงธรรมภายเราะเป็นพระอระหันต์องค์หนึ่งในหมู่พระมหาเถระ8ปองค์บรรลุปฏิสัมพิทาแต่ท่านตัวเล็กเตี้ยคล้ายสามเณรถูกล้อเลียนอยู่เสมอพระพุทธเจ้าตรัสเล่ากรรมที่ท่านได้ทำไว้ในเกลิศีละชาดกและมีพุทธพ์ท้ายชาดกนั่นอีกว่าหงก็ดีนกกะเรียนก็ดี นกยูงก็ดีช้างก็ดีเนื้อฟานทั้งหลายก็ดีย่อมกลัวราชสีทั้งนั้นจะวัดที่ร่างกายไม่ได้ฉันใดในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันถึงแม้เป็นเด็กถ้ามีปัญญาก็นับว่าผู้ใหญ่แต่ถ้างโง่ถึงร่างกายจะใหญ่โตก็หาเป็นผู้ใหญ่ไม่ในเรื่องพระโลลุทายีเถระคุตการนิกายคาถาธรรมบท ทรงปรารพพระโลลุทายีผู้ที่เมื่อคำอื่นอันคนควรพูดก็ไพร่พูดคำอื่นไปเสียทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าแล้วมีพุทธพจน์ดังนี้คนมีสุตตาน้อยนี้ย่อมแก่ไปเหมือนโคถึกเนื้อของเขาย่อมเจริญแต่ปัญญาหาเจริญไม่ในกุตกานิกายคาถาธรรมบทยังมีเรื่องพระละกุนตกะพัทธิยะเถระอีกเรื่อง มีข้อความว่าพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันวันหนึ่งเมื่อพระลรักุลตกพะพัทยเทระนั้นไปสู่ที่บํารุงพระศาสดาพอลีกไปแล้วภิกษุผู้อยู่ป่าประมาณสามสิบรูปเดินสวนกันพอเห็นท่านก็มาถวายมังคมพระศาสดาพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสถามปัญหานี้ว่า พระเถระองค์หนึ่งไปจากนี้พวกเธอเห็นไหมพวกภิกษุทูลตอบว่าไม่เห็นพระเจ้าค่ะเห็นแต่สามเณรรูปหนึ่งพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนั้นไม่ใช่สามเณรนั้นเป็นพระเทระพวกภิกษุทูลว่าเล็กนักพระเจ้าค่าพระศาสดาจึงตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าคนจะชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่ เพียงเพราะมีผมหงอกก็หาไม่ถึงวัยของเขาจะง่อมก็เรียกว่าแก่เปล่าส่วนผู้ใดมีสัจจะมีธรรมมีอหิงสามีความบังคับควบคุมตนมีความฝึกตนผู้นั้นแหลเป็นปราสลัดมนทินได้แล้วเรียกได้ว่าเป็นผู้ใหญ่ในานาลั ก, ก, กสูตรกุตการนิกายสุตานิบาศ พระพุทธเจ้าตรัสกับนาลกดาบทว่าห่วงน้ําน้อยไหลดังสนัน่นห่วงน้ําใหญ่ไหลนิ่งสงบสิ่งใดพร่องสิ่งนั้นดังสิ่งใดเต็มสิ่งนั้นเงียบคนผ่านเหมือนหม้อมีน้ําครึ่งเดียวบัณฑิตเหมือนห่วงน้ําที่เต็มในเรื่องโจรผู้ทํำลายปมขุตกรนิกายคาถาธรรมบทภารวกัก โจรสองคนเป็นสหายกันเข้าสู่พระเจตวันปนไปกับมหาชนผู้ไปเพื่อต้องการฟังธรรมโจรคนหนึ่งได้ฟังธรร ม, มกะถาแล้วบรรลุโสดาปฏิพั์จึงไม่ลักของใครโจรอีกคนหนึ่งได้รักทรัพ์ประมาณห้าหมาศกที่คอดไว้ที่ชายผ้าของอุบาศกคนหนึ่งโจรที่รักทรัพมาได้เย้ยหยันเพื่อนผู้เป็นโสดาบันนั้นว่า ท่านไม่ยังแม้ค่าอาหารให้สำเร็จในเรื่องของตนเพราะความเป็นคนฉลาดเกินไปพระพุทธเจ้าตรัสถึงกรณีนี้ว่าผู้ใดเป็นพานรู้ตัวว่าเป็นพานก็ยังนับว่าเป็นบัณฑิตได้บ้างส่วนผู้ใดเป็นพานสำคัญตนว่าเป็นบัณฑิตผู้นั้นแลเรียกว่าเป็นพานแท้ๆในโคมะทุสสูตรสังยุตติกายสากาตวรัตพระพุทธเจ้า ตรัสกับพราหมณ์และคารืหามดีชาวคมทุตสนิคมว่าสัตบุรุษไม่มีในชุมนุมใดชุมนุมนั้นไม่ชื่อว่าสภาผู้ใดไม่พูดเป็นธรรมผู้นั้นไม่ใช่สัตบุรุษและราคะโทสะโมหะแล้วพูดเป็นธรรมจึงจะเป็นสัตบุรุษในสารพังคชาดกมีภาษิตของท่านสารพังคดาบว่าผู้ใดเป็นเทีรชน เป็นคนกระตัญยูกระตะเวทีคบหากัลยาณมิตรมีความพักดีมั่นกระทากิจเพื่อผู้ตกทุกข์ด้วยตั้งใจจริงคนอย่างนั้นท่านเรียกว่าสัตว์บรุษในฐานสูตรอังคุตรณิกายจะตกการนิบาทพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายมีฐานะอยู่สี่ประการดังนี้กล่าวคือหนึ่ง ฐานะซึ่งไม่น่าชอบใจที่จะทำทั้งเมื่อทำเข้าก็เป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ก็มี 2. ฐานะซึ่งไม่น่าชอบใจที่จะทำแต่เมื่อทำเข้าย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ก็มี 3. ฐานะซึ่งน่าชอบใจที่จะทำแต่เมื่อทำเข้าย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ก็มีส ฐานะซึ่งน erm. ่าชอบใจท it, ี่จะทำทั้งเมื่อทำเข้าก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ก็มีบรรดาฐานะเหล่านั้นฐานะซึ่งไม่น่าชอบใจที่จะทำทั้งเมื่อทำเข้าก็เป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ฐานะนี้เห็นได้ว่าไม่พึงกระทำโดยสถานสองคือไม่พึงกระทำด้วยเป็นฐานะซึ่งไม่น่าชอบใจที่จะทำและไม่พึงกระทำด้วยเมื่อทาเข้า ก็จะเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ฐานะซึ่งไม่น่าชอบใจที่จะทำแต่เมื่อทำเข้าย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ในฐานะนี้พึงทราบคนผ่านและบัณฑิตได้ที่เรียวแรงความเพียรความบากบั่นของคนกล่าวคือคนผ่านย่อมไม่พิจารณาเห็นว่าฐานะนี้ไม่น่าชอบใจที่จะทำก็จริงแต่กระนั้นเมื่อทำก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์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 แต่เมื่อทำเข้าย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แม้ในฐานะนี้ก็พึงทราบคนพานและบัณฑิตได้ที่เรียลแรงความเพียนความบากบั่นของคนกล่าวคือคนพานย่อมไม่พิจารณาเห็นว่าฐานะนี้น่าชอบใจที่จะทาก็จริงแต่เมื่อทำเข้าจะเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ดังนั้นเขาก็กระทำฐานะนั้นเมื่อเขากระทาฐานะนั้น ก็เป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ส่วนบัณฑิตย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าฐานะ น, น, นี้น่าชอบใจที่จะทําก็จริงแต่กระนั้นเมื่อทําเข้าก็จะเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เขาจึงไม่กระทําฐานะนั้นเมื่อเขาไม่กระทําฐานะนั้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ฐานะซึ่งน่าชอบใจที่จะทําทั้งเมื่อทําเข้าก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ ฐานะนี้เห็นได้ว่าควรกระทำทั้งสองสถานคือควรกระทำด้วยฐานะซึ่งน่าชอบใจที่จะทำและควรกระทำด้วยเมื่อกระทำเข้าก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในอิทธสูตรและวัติสูตรที่หนึ่งอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่เรียกว่าเป็นปราดเป็นบัณฑิต ก็เพราะบรรลุประโยชน์ที่มุ่งหมายทั้งสองประการคือทิฏฐธรรมิกะทะและสัมปรายิกะทะผู้ได้เจริญด้วยศรัทธาศีล ส, สุตะจาคะและปัญญาผู้เช่นนั้นเป็นสัตบุรุษมีวิจารณญาณย่อมถือเอาสาระในโลกนี้ไว้แก่ตนได้ในอานิสัง ส, สูตรและอุมมังคสูตรอังคุตรนิกายจตุกาิบาต พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอาศัยสัตว์บุรุษแล้วพึงหวังอนิสงส์สี่ประการได้กล่าวคือจะเจริญด้วยศีลอย่างอริยะจะเจริญด้วยสมาธิอย่างอริยะจะเจริญด้วยปัญญาอย่างอริยะจะเจริญด้วยวิมุติอย่างอริยะดูกระระภิกษุบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามาก ในโลกนี้ย่อมไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนตนย่อมไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นย่อมไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเมื่อจะคิดย่อมคิดแต่การอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนคิดการอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นคิดการอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ทั้งสองฝ่ายคิดการอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกทั้งหมดทีเดียวอย่างนี้แหละ จึงจะชื่อว่าเป็นบัณฑิตมีปัญญามากในทุติยะสัพ ป, ปริสูตรอังคุตรนิกายอัตกรนิบาพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตวบุรุษเกิดมาในตระกูลย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนจานวนมากคือย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่มารดาปิดา แก บ, บุตรภรนรยาแก่คนรับใช้กรรมกรและคนงานแก่มูมิตรและเพื่อนร่วมงานแก่บรรพชนผู้ล่วงลับแก่พระราชาแก่เหล่าเทวดาแก่สมณะชีพราหมณ์เปรียบเหมือนมหาเมฆช่วยให้ข้าวกล้าเจริญงอกงามเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนจํานวนมาก